พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าไม่มีใครรับประกันความตายให้เราได้เอา ลูกหลานเดชลงพอจะปลารบอะไรให้ฟังวันนี้เป็นวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันเสรดสังเวชใจของพวกลูกหลานที่พวกเราบกเคยคิดบกเคยขาดบกเคยขาดเคยคิด วายจะมีเรื่องจังสี่เกิดขึ้นในโมบานในทีนของเฮ้าแต่กอบบแมนันริงทีเหลือวิสัยล้วเกินวิสัยมันเป็นไปได้ทุกอย่างพอเราใช่รถใช่ถนนพอตู้แห่นของเฮ้านี่เออเป็นผู้เถาผู้แก่ของชาวบ้านหน้าคำหน่อยเออตั้งแต่ลิเริ่มสางวัดอสางบานมา และกรสางวัดปลาหน้าคำหน่อยนกีแหละตู้แว่นนี่แหละผู้หนึ่งตู้ขาเพราะว่าผู้ตู้แว่นเนี่ยเป็นผู้ซอยผู้เยี่ยบานได้ผู้เยท่องผู้เยี่ททองเป็นผู้เยี่ยบานใช่ไมนั้นนะและกตู้แว่นเป็นผู้ซอยผู้เยี่บานผู้ที่หนึ่งและกตู้มิงเป็นผู้ซอยผู้เยี่ยบานผู้ที่สอง อยู่ในบ้านนาคำหน่อยของเฮ้าและครับตู่ขาตู่พยาบานเก่ า, เ, าเป็นผู้เฒ่าผู้แกของท้องถิ่นในหมู่บ้านกมีตู่ไร้ตู่ทุผู้ตู่เมกผู้ตูเอ่อไอยังมีมากมหมที่มาสางบ้านนาคำหน่อยหลวงพอ่อมาอยูอ่วัดปา น, นาคำหน่อยกับปีสอาเป็นปีปี่เริมสางวัด ก็ต้องอาศัยนี่แหละผู้เฒ่าผู้แกมู้นี่แหละไปเห็ดกุฏิซาลาไปเห็ดที่พักผ้าอาศัยเป็นที่ทังเดนยกมก็หลอดมากอดคนอดขูมเอนี่แหละตั้งแต่ปีสองสาดนี่ก็ยังม่เห็ดอยู่ทราบข่าวว่ามีส่วนมู่ส่วนพวกโมส่วนไปเห็ดได้ยาตัดยาออกจากต้นไม้ผู้ตู่แว่นผู้เฒ่ากบอกเออเดี๋ยว เสียไปหน้าเจ้าก้อนเดี๋ยวมืออื่นแล้วจะสียไปซอยดเดนาะผู้เฒ่าก็เลยไปก่อนสิยไปหน้าไปไดายหย่าไปตัดหย่าไปเบิงหน้าสักน้อยแต่อายุพ้นกัเจ็ด18ปีเนาะอายุเจ็ดสิปียังแข็งแรงแล้วก็บขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกำลังไปจินเลี้ยวเขาเทาง หน้าของเจ้าของนั่นและแต่จากซีเมนรดพิษลดไนพิษลดหน่อยพิษอันนี้คะหมอบไผทั้งบานทั้งเมืองทั้งเจ้าหน้าที่นั่นะเป็นผู้ซอยวินิจฉัยซอยเบิงด้วยความเป็นธรรมทั้งสองกำสองไฟเพราะว่าถึงจะได้กันีน่แหละพอตูก็ได้ล่มหายตายจากลรด้วยรถปิกอัพชนกระเด็นไปกระดอนไปไก่พอสมควรจน หล่างกายบางส่วนก็นแตกหักได้มรณะลงมกับที่ว่าได้แต่ถึงจะกระซ่งไปร่วงพยาบาลกระซ่งไปยังสั่นแหละพอไปห่อนแล้วก็เมื่อสภาพผ่อยนั้นมือนีก็ถือว่าเป็นวันสลดสังเวชจิตใจสำหรับพวกสัดท่ายาดโยมลูกหลานทุกข่ทุกคน หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน่าวัดที่ผู้เฒ่าพอตู่พอตาทั้งหลายไปซอยวัดว่าศาสนาหลวงพ่อก็ได้ออกมากที่แหละถือว่าเป็นผูมีบุญคุณอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งลูกหลานของพอตูเนี่ก็ไปซอยวัดว่าออของหลวงพ่อไปซอยทำอาโหงอาหารผวกลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้ทุกคนก็ะแห่ความคารบ วัดว่าศาสนาถือว่าเป็นถือเสมือนว่าเป็นญาติญาติติโกโหติกาของหลวงพ่อหลูกหลานของหลวงพ่อพอนั้นมือนีพวกเข้ากับพวกขาดบกขิดผู้เท่าที่จากไปแบบนี้แต่ถึงอย่างไรก็บ่มีผรับร้องได้เพราะเหตุใดพอว่าร่างกายสังขารมันเป็นไปได้ทุกอย่างอย่างเหมือว่านเมือ ก, กอนก็น ทราบว่าในฮิลีคอปเตอร์ก็ตก๊กอยู่ทางเมืองเชียงใหม่ในทหารก็ได้มารณะพอตก๊กเครื่องบินต๊กนะอันนี้เือกันพอตู่ของเข้ากันก็บอกขาดประคิดชีวิตของพวกเขาเนี่เหมือนกับน้ำค้างใบบัวอย่างที่วานนั่นแหละพระพุทธเจ้าพันวาน้ำค้างใบบัวถ้าหาว่าล่มกระชอกมาาใบบัวเอียงเท่านั้นละ เอาน่ามันก็เก่งตกลงมว่าจากใบบัวนี่ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเข้าเข้าจะรับรองบอ่อใดว่ามือนั่นเดือนั่นปีนั่นพวกเข้าสีมดอายุสังขาร เ, เววนเสียแต่พระพุทธเจ้าหรือพระหานตสาวกภูมิญานาณาจักรภูมิชานมีความรู้พิเศษเพิ่นจะหลัวอนาคตของเจ้าของวเพันจิล่วงลับดับขันเมื่อใดแต่สําหรับพวกเข้าทันทั้งหลายก็อย่างที่ว่านั่นแหละ อยู่ยืมวันอยู่ยืมปียืมเดือนจุ่มเวลาอยู่โบจักว่ามือใดพอเข้าสิเอาร่มเจ้่มหายตายจากโรคนี้เพราะฉนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายคณะสัตว์ท่ายาดย่อมทุกขู่ทุกค้นหลวงพ่อเป็นในฐานะลงปูลงตาไม่แต่ก้าวย่ำเตือนว่าเออพวกเข้าทั้งหลายลูกหลานเอออย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสั่งกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจ ผัวเข้าได้พบเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระทรบข้าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พัวเข้าประกอบแต่สิ่งที่เป็นดีสางบุญสางกุศลเขาสู้จิตใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามพอตูแ่แหวนของเข้าเนี่ยพอตู่ของเข้านี่ยตั้งแต่ลงพร้อมาสางวัด อ, อย่างที่ว่านะปีสองสามขันว่าเรื่องการเรื่องงานภายในวัดถนนคนทั้งถึงจะเป็นเทศปูนหรือจะเป็นียังก็ตาม ท, ท่านถ้ำท่านทังเดินจยกลมให้กับคู่บาอาจารย์ผ้าสงเอ่อเขมีแหละพวกผู้เฒ่าผู้แก้วเนี่แหละเป็นกําลั่งหลักไปสางหนทางเป็นสางไปสางาสร้างสสร้างสวรรค์สางทางนิพพานาให้กับเป็นโหนทางให้เจ้าของเพรอหนั้นเวลาคูบาอาจารย์ทั้งหลายเดินเดินโยกล่มเดินั่งภ่อพนาเดิเดินโยกลมในทิศบริเวณตะกุดตีนี่พ่อตู่พ่อตาทั้งหลายไปเหตุไปสางไว้ให นั่นละหลวงพ่อก็มั่นใจว่าบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจะเกื้อกูลหนุนให้ดวงวิญญาณของปู่ของเฮาไปสู่ไปสู่สุขคติแต่ว่าเรื่องตายอันธรรมดาเหตุยังใดล่ะแต่ขนาดพระพุทธในข้างพระพุทธเจ้าของเฮาพอะโมกคาล่าก็ยังถึกโจนขาน่เ อ, อทั้งที่เป็นพระอรหันต์แสาวกเหาะเหินเดินฟ้าได้พระก็ยังถืกโจนขาโจรหาลอยขา ในเมื่อกาลสิลาในแขวงเขตแขว ง, ขวงกุลงลัชจะคือสมัยนั้น อ, อันนี้ก็คือในหลักของพุทธศ า, ส, าสนาเพิ้นวุ่นวัประกันว่าพุทธศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเจปมีไพวิบัติจังสี่เกิดขึ้นเพิ้นก็วุ่นวัยับประกันเพปป้นพปปก็บอกว่าพระโมปปกขล่าที่ตายที่โจรขากระตายทรงข่วรแก่ก่ำที่ตนได้กระทําไว้ พอในอดีตชาติเพิ่นเคยขาพอขาแม่ของเพิ่นเพิ่นก็ถูกโจถูกค้นขามาหลายพอปลายชาติตอนพอดมาชาตินี้เพิ่นก็ยังมีกรรมสนับยังว่าท่านเมดท่านเสียงเพิ่นก็เลยถูกโฉนขาตายอยู่นกุ่้งลัดจะคือนี่คือกันพอตู่ของเฮาที่เพิ่นล่มหายตายจากไปเนี่ยกับเพิ่นคงจะเป็นกรรมของเพิ่น ในอดีตชาติคือกันเพราะนั้นกรรมของไผ่กรรมของมัน อ, อผู้ใดได้ทากรรมสิ่งใดไว้ผู้นั้นก็ได้รับออผลของกรรมนั่นเพราะการกระทําของเข้าหรืบอบกคือกันคิดบกคือกันทำบกคือกันพูดบกคือกันในเมื่อคิดทําพูดบเมื่อคือกันกรรมก็จําแนกให้พวกเข้าไปเกิดในภพภูมิต่างๆหรือวัดไส้กรรมแต่ละคนบ่เหมือนกัน พ่อนั่นขอให้ฝากไว้กับลูกกับหลานทุกข์ทุกทุกคนนอะไอเรื่องเสียใจมันก็ต้องเสียใจนั่นแหละออพอตายกับท่านหันบริสังไดล่าแบบแบบโป๊ปปับไปเลยยังสิมันทําใจบไิสแต่ขนาดหลวงพ่อเองเออในฐานะาที่เป็นหลวงปู่หลวงตาออของลูกของหลานหลวงพอ่อยังได้ยินเล้ค่ะหลวงพ่อก็ยังคิดโอ้ตายโปงความสลดสังเวชในใจิตใจโอ้สังขารมันบวเทียง แผลแน่นอนพอหลวงพ่อก็เคยพูดเค่อยกาวแต่ละมือแต่ละเว้นเตือนว่ากาวเตือนลูกหลานว่ามันั่งเมฆพวิสติขาไปเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งอบอกหูจักวยหล่ำลไม่ลาใดมันถิ่มาถึงเฮาแต่ถึงอย่างขนาดนั้นก็เถอะเมื่อได้ยินเข่ามาเน่ยพนค้นจูไก่นะค้นจูไกเ่เห็นกันอยู่มับมับนะแล้วก็มา้าล่วงลับดับขันไปต่อหนา้าต่อตา สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้จิตใจของเฮ้าก็วันไหวกวยแวงขึ้นกันได้เพราะนั้นขอถึงอย่างไงก็ตามให้พวกเฮ้ า, อ, าอยู่ในศีลและถ้ำจริยธรรมแต่ทางกฎหมายบั่นเมื่อกะพวกเฮ้าก็ซอยกันเบาซอยกันวา่าผู้เหตุผู้ถิ่มา่าก็คงจะมีเจตนาบางแต่ถึงอย่างไงก็ตามถึงจะเจตนาเรื่องเจตนาจานังไรก็ตามแต่ผู้เสียหายมันเสียหายไปแล้ว ก็ควรจะช่วยช่วยกันมีน้ำจิตนำใจต่อกันทั้งสองกรรมสองไฟนั่นแหล ะ, อะขอฝากไว้กับบ้านทางเมืองแต่หลวงพ่อก็ได้บอกเขาเจ้าหน่ายเพลินไว้แล้วล ะ, ล ะ, ะฝากหวังไว้เนอให้ความเป็นธรรมทั้งสองกรรมสองไฟแต่ถึงยังไงจะให้เพียงพั่มกันอย่าไปใส่กฏหมายอย่างเดียวต้อง อ, อย่าไปใส่นิติศาสตร์อย่างเดียวควรใช่เศรษฐศาสตร์ การบริหารรัฐศาสตร์ด้วยเขามาดูแลกันมันจะคอยเป็นธถ้ำจะอยู่กันได้ยืดในยาวถ้าหาว่าไม่แต่ใส่นิติศาสตร์ใส่แต่กฎหมายยางเดียวการอยู่โวยกันมันก็มองหนากันบอดติดคือกันได้มันจะเป็นเว้นเป็นไพ่ต่อไปไพ่ภาคนากันว่าพวกเขายูโดยกันทั้งนิติศาสตร์ด้วยทั้งเศรษฐศาสตร์ด้วยทั้งรัฐศาสตร์ด้ว ย, าวยการอยู่น้ากันแก่จะร่มเย็นเป็นสุก วันนั้นขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกหูทุกคนทักกับหน่วยงานทุกท่านนั่นแหละที่เกี่ยวของในการล่มการตายของพอตูของเฮ้าแต่หลวงพ่อเองมีแต่ฝากฝังและมีแต่ความลำาลึกถึงคุณงามความดีของพอตูนี่ละพอตูก็ไดทำความดีกับวัดป่าน้าคาหน่อยของเฮ้านี่ย่างมากหม่จนนับคาราหาปะมาา่านบ่อรว่าจังสันกบนาจะพิสคือกัน พอว่าทางว่ามีการเรียกร้องไปพัฒนาไปปลูกต้นใหม่ไปทาเสียมรักต้องเห็นตูแหวนผู้หนึ่งกับในผู้ตูทั้งหลายประตู้าประตูเดือนประตูผาดประตูน่ละไลไปมากไม่ที่ไปซอยวัดว่าศาสนารัดนี่กับขาดไปหายไปทีละคนสองคนขาดไปเลยๆแต่ถึงยังไงก็ขอให้ลูกหลาน ที่เป็นท่าญาติก็สืบท อ, อดต่อไปผ่ายภาคนาให้ดูกันให้ดูแล่สืบทอดไปแต่หลวงพ่อนี่ก็นนะหลวงปู่เป็นหลวงปู่หลวงตาแล้วสมัยมาดอยู่ใหม่ๆก็อยุเพียง30กว่าปีแต่โดยดีมันกับป่าเข้าไปถึงเจสิบกว่าแล้วลูกหลานเลยเป็นผู้เฒ่าเป็นพระผู้เฒ่ า, ผ, าผู้แก่แล้วเพราะนั้นขอฝากไหว้กับลูกกับหลานทุกขู่ตกคนนะวัดว่าศาสนาท่าพวกเฮา วัดศาสนาพุทธศาสนาอยู่ได้พี่น้องพวกเฮาทั้งทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันล่มเย็นเป็นสุขนะ เ, เพราะขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะเนอศรัทธาญาติโยมทุกข์ทุกคนนะเนอให้อย่าต่างอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเฮาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมากต่อมากว่าชีวิตนี่เป็นของบ่เทียงแทะแน่นอน แต่ถึงยังไงก็ตามตายเราบ่อศูนย์ตายเราเกิดอีกแต่เดี๋ยวนี้เนะี่ยพอตู่คองเฮ้าเนี่ยเมื่อถูกรถชนเข้าไปเนะี่ยดวงวิญญาณของเพื่นเขคือสิงงงอยู่ขื้นกันแหะเดี๋ยวนี้นะรถมันมาช่อนจางไหนาเนี่ยดวงวิญญาณของพอตูของเฮ้าเพื่อนเขาคงจะงงอยู่ขื้นกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามพอตู่เอ้ยอย่าไปผูกกรรมผูกเวรกับเขาเให้เอาโหสิกรรมซะคงเฮ้าค ง, ง, งได้ทํา กรรมววิไวในอดีตให้ระ ล, ลึกถึงบุญถึงกุศลบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อตู่ได้ทํามาได้สางวัดสางไหวได้สางวัดว่าศาสนาได้ทําบุญทําท่านกับวัดว่าศาสนาคู่บาอาจารย์มากหน่อยขนาดไหนก็าตามขอให้บุญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นเครื่องเกือ่อกกลหนุนหดวงวิญญาณของพ่อตู่ขอให้พ่อตู่ไปสู่สุคติภพ และกับปาถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขนของของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราฏนาเน่าประตูเนะ่า